จริงดังที่หลวงพ่อสุขแห่งวัดมะขามเท่าได้ทำนายไว้เพราะในพรรษาที่หาพระเจริญก็หาเงินได้ครบ40สบหมื่นตามที่สมภารช่อบได้มอบหมายภาระให้การสร้างพระออโบสถจึงเริ่มขึ้นโดยหลวงพ่อช่อจ้างช่างมาจากอายุทยากรุงเก่าช่างรับปากรับคำแข็งขันว่าจะสร้างให้เสร็จภายในสองปี เพราะเคยสร้างมาหลายหลังแล้วพระเจริญมั่นใจว่าต้องเป็นไปตามนั้นเพราะสิทธก้นกุติของหลวงพ่อสุขทำนายทายทักไว้เย็นวันหนึ่งพระหนุ่มได้ไปหาเจ้าอาวาสที่กุติกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับบัดนี้ผมก็หมดภาระหน้าที่แล้วเงินทองก็ได้หามาถวายหลวงพ่อครบทวน ผมจึงขออนุญาตไปหาวิชาความรู้ตามสำนักอาจารย์ต่างๆออกพรรษาแล้วหลวงพ่ออนุญาตให้ผมไปนะครับไม่รอให้โบสถ์เสร็จก่อนหรือน่าจะอยู่รอดูผลงานของเธอก่อนหลวงพ่อช่อทักท้วงอีกตั้งสองปีคิดว่าคงรอไม่ไหวผมอยากศึกษาหลายๆสำนัก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 วัดแต่ว่าจะไปเรียนที่สำนักไหนละ่ะสมภารถามคงจะเป็นวัดปากน้ำภาษีเจริญครับอยู่จังหวัดทนบุรีใกล้ๆกับบางกอกสำนักของหลวงพ่อสดนะสิฉันได้ยินมาว่าท่านเก่งมากและเป็นคนแรกที่ค้นพบวิชาธรรมกายครับผมก็ตั้งใจจะไปเรียนวิชาธรรมกายกับท่านภิกษุวัย่สห้าตอ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 ผมคิดว่าท่านคงจำผมได้เพราะผมไปวัดกับคุณปู่หลายครั้งแต่ตอนนี้คุณปู่ผมท่านถึงแก่กรรมไปนานแล้วครับถ้าเช่นนั่นก็คงไม่อยากเย็นอะไรเอาเป็นว่าทันอนุญาตแล้วจะไปอยู่นานไหมลุงพ่อช่อถามคงสักหกเดือนครับถ้าเรียนยังไม่จบก็จะขออนุญาตจำพรรษาที่นั่นได้ไหมครับ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 ผมคิดว่าต้องอยู่ได้อีกหลายปีถึงวันเดินทางพระเจริญได้อาศัยไปกับเรือโยงซึ่งบรรทุกเป็ดไก่ไปขายอย่างบางกอกท่านั่งลำหน้ามีเรือบรรทุกสินค้าพ่วงอีกสองลำลมพัดจากเหนือไปใต้ ท่านจึงต้องนั่งดมนอนดมขี้เป็ดขี้ไก่มาตลอดทางเรือโยงใช้เวลานานเพราะเล่นช้าภิกษุหนุ่มทนเหม็นอยู่หนึ่งคืนกับหนึ่งวันนึกว่าชดใช้กรรมที่เรารั บ, รบจ้างอาแปะค่าเป็ดค่าไก่แล้วไหนจะตอนไก่ตายไปทั้งเราอีกละ่ะท่านคิดไปในทางดีนึกถึงไก่ยี่สิบตัว ที่ต้องมาตายเพราะฝีมือการตอนของท่านจนถูกโยมยายด่าไปหลายวันไอ้ต้งของตาชุกนั่นอีกตัวเจ้าของเรือดูแลเอาใจใส่ท่านเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องขบฉันท่านเห็นแล้วก็สงสารที่เขาต้องมาประกอบมิจฉาอาชีวะซึ่งในสายตาของคนทั่วไปมองว่าไม่ผิดด้วยว่าเป็นอาชีพสุจริตที่กฎหมายอนุญาตให้ทําได้ แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติเพื่อบรุมรคผลถือว่าผิดเพราะทำให้ไม่สามารถบรรลุมรคผลได้มองในแง่ของกรรมเจ้าของเรือก็ทำกรรมทั้งดำทั้งขาวกล่าวคือการขายสัตว์ให้เ ข, าเาข้าออกไปฆ่าจัดเป็นกรรมดำหรืออกุศ ล, ลกรรมซึ่งมีวิบากคือผลที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ผู้กระทา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 อริยะมรรคมีองค์แปดเพราะกรรมไม่ดำไม่ขาวจักนำไปสู่จุดหมายคือพระนิพพานอันเป็นการสิ้นสุดแห่งกรรมผู้เข้าถึงจุดหมายเรียกว่าพระอรหันต์ซึ่งหมายถึงเป็นผู้บริสุทธ์ไกลจากกิเลสทำลายกรรมแห่งสังสารจักได้แล้วจึงไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฏะสงสารอีกต่อไป ภิกษุวัย25ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจากเพียรทำหน้าที่ของนักบวชให้สมบูรณ์ที่สุดขณะเดียวกันก็จะปรารบความเพียรเพื่อเข้าถึงจุดหมายซึ่งอาจจะเป็นในชาตินี้หรือในภพต่อๆไปขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ได้สร้างสมบำเพ็ญมาแต่ครั้งอดีตและที่จะบำเพ็ญต่อไปถึงภัยบณ์ในอนาคตการ หลุงพ่อสดครันทราบว่าพระเจริญเป็นหลานชายหลวงทาราก็ปิติอินดีดังนั้นนอกจากจะอนุญาตให้อยู่ในวัดแล้วยังไว้วางใจเรียกให้มารับใช้ใกล้ชิดเป็นลูกศิษย์ก้นกุติพระหนุ่มจึงได้เรียนวิชาธรรมกายซึ่งหลุงพ่อสดเป็นผู้สอนให้ด้วยตนเองหลุงพ่อเรียนวิชาธรรมกายมาจากอาจารย์องไหนครับ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 ด้วยตนเองหรือครับและก่อนหน้านี้มีใครเคยค้นพบมาก่อนหรือเปล่าครับท่านต้องการทดสอบว่าสิ่งที่หลวงพ่อช่อรู้มันนั้นจริงหรือเท็จแม่เขนี่สอกแสกจริงแต่เอาเถอะเราจะตอบให้เธอหายสงสัยฟังให้ดีนะเราเป็นคนแรกและคนเดียว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 สมภารวัดปากน้ำนิ่งไปพักหนึ่งเพื่อทบทวนความจำแล้วจึงตอบว่านับถึงเดี๋ยวนี้ก็2ี่สิบปีพอดีแล้วเราก็ซ้อนวิชานี้แกลุกสิ็ลุกหามาได้ยี่สิบปีแล้วส่วนใครจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราไม่ทราบเพราะไม่เคยติดตามผลอีกประการหนึ่งเรื่องอย่างนี้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 ไม่น่าเป็นล้านหลวงทาราเลยไม่น่าจริงๆหลวงพ่อสดว่าคุณปู่ผมเกี่ยวข้องกับคำถามนี้อย่างไรครับพระหนุ่มรู้สึกงงเกี่ยวข้องสิเพราะหลวงทาราเขาเป็นคนฉนลาดแล้วเราก็คิดว่าล้านชายแล้วเราก็คิดว่า ล้านชายเขาคงจะฉลาดด้วยมองดูเหมือนเป็นคนฉลาดหลักแหลมเพิ่งจะรู้ก็ตอนเธอพูดออกมานี่เองรู้อะไรครับพระหนุ่มยังไม่มั่นใจนักว่านี่คือการด่าจึงถามเพื่อความมั่นใจรู้ว่าเธอไม่ฉลาดนะสิแต่ไม่เป็นไรเรามีลูกสิทธิ์ฉลาดฉลาดมามากแล้วบางที คนไม่ฉลาดอาจจะไปดีกว่าที่ฉลาดก็ได้หลุงพ่อสดใช้วิธีตบหัวแล้วรูปหลังครับผมก็มั่นใจอย่างนั้นไม่งั้นโบราณเขาจะสอนไว้หรือความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดเราเคยได้ยินแต่ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดภิกษุสูงวัยแยง้ง แบบนั้นยังไม่น่าสมเพชเท่าไรเพราะหัวมันเล็กกว่าตัวแต่คนที่มีความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดนี่สิผมว่าแย่ที่สุดพระหนุ่มอ ธ, ธิบายเออเธอพูดเข้าท่าดีชักฉลาดขึ้นบ้างแล้วเห็นไหมพอได้มาอยู่ใกล้ออกเราเธอฉลาดขึ้นเป็นกองหลวงพ่อสดตั้งใจยั่ว แต่ผมรู้สึกว่าผมฉลาดด้วยตัวเองนะครับการที่หลวงพ่อเห็นว่าผมโง่นั้นเป็นเพราะผมแกล้งโง่ต่างหากพื้นผมทำฉลาดหลักแลหลมหลวงพ่อก็ไม่สอนวิชาให้ผมนะสิครับนี่เธอเห็นเราเป็นคนขี้หริสยาอย่างนั้นหรือหลวงพ่อสดวัดปากน้าเป็นคนหริยาผู้อื่นหรือสมพันธ์วัดปากน้ำถามด้วยเสียงปกติหาไม่ได้ขอรับ กระผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นขอพระเดชพระคุณอย่าได้กดกโกรธเกลี้ยวกโรทาเลยนะขอรับพระหนุ่มยั่วบ้างเพราะรู้ว่าภิกษุสูงวัยเมตตาท่านเวลาเดือนเศษที่มาพำนักอยู่ในวัดนี้ท่านได้รับความสะดวกสบายดีทุกอย่างหลวงพ่อสดท่านใจดีให้ความเมตตาแก่พระลูกวัดทุกรูปโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง แม้แต่ญาติโยมที่มหาท่านก็อนุเคราะห์ด้วยดีนับเป็นแบบอย่างที่พระหนุ่มจะต้องนำไปปฏิบัติสงสัยเธอคงจะเป็นลิเกเก่าสำนวนลิเกคลองปากเทียวหาไม่ได้ขอรับกพรอะผมไม่เคยเล่นลิเกเพียงแต่เคยตีระนาดให้ลิเกเล่นกับเขียนเรื่องให้เขาแสดงไม่กล้าลงไปเล่นเอง เพราะกลัวพระเอกเขาจะตกงานขอรับผู้อ่อนวัยกว่าแ้งดัดเสียงให้เหมือนลิเกพูดแน่ใจรึสมพันธ์วัดปากน้ำถามอย่างนึกสนุกแน่ใจสิครับหลวงพ่อไม่รู้อะไรหนุงทั้งตำบลนนะ่ะไม่มีใครหล่อเท่าผมเวลาเดินไปไหนผมต้องถือไม้สองอันคราวนี้พูดด้วยเสียงปกติทำไมต้องทำอย่างนั้น ไม่ทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับก็พวกผู้หญิงพากันมารุมตอมจนผมรำคาญเลยต้องมีไม้สองอันเอาเวกแก่งกันไม่ให้พวกหล่อนเข้ามาใกล้ลุงพ่อสดหัวเราะหึๆดด้วยคำที่พระหนุ่มเล่าเห็นท่านอารมณ์ดีพระเจริญจึงถามอีกว่าลุงพ่อครับเมื่อไรผมจะสำเร็จวิชาธรรมกายครับอันนี้ต้องถามตัวเธอเอง เราตอบเธอไม่ได้หรอกถ้าเธอมีความพยายามเธอก็สำเร็จเร็วแต่ถ้าเธอเกียจคร้ครานรับรองว่าไม่สำเร็จเอ๋ผมว่าอีกยี่สิบปีละมั้งเพราะถ้าสำเร็จเร็เรวประเดี๋ยวจะเก่งเกินอาจารย์ขนาดหลวงพ่อยังใช้เวลาตั้งยี่สิบปีมันไม่เหมือนกันหรอก นี่เธอสแสดงความไม่ฉลาดออกมาอีกแล้วแต่ก็ดีเหมือนกันสแสดงออกมาเสให้หมดจะได้เหลือแต่ความฉลาดหลวงพ่อด่าผมอีจนได้พระหนุ่มตัดพอเธอน่าเราไม่ค่อยดิด่าใครบ่อยนักถือว่าเป็นโชคดีของเธอก็แล้วกันครับผมจะพยายามคิดอย่างนั้นดีแล้ว ทีนี้เราก็จะบอกกับเธอว่าหากเธอใช้ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องเธอก็จะไม่ต้องใช้เวลาถึงยี่สิบปีสำหรับเราที่ต้องใช้เวลามากมายขนาดนั้นเพราะยังไม่มีผู้นำทางเราบุกเบิกด้วยตัวของเราเองส่วนเธอเท่ากับมีผู้บอกทางให้แล้ว หน้าที่ของเธอคือต้องพยายามเดินทางให้ถึงจุดหมายนั้นโดยเร็วเอาละ่ะเธอกลับไปปฏิบัติต่อที่ห้องได้อย่าลืมพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าวายะมีเทวปุริโสยาวะอัตถสันนิปทาเป็นคน พวนพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสําเร็จพระเจริญกราบพระอาจารย์สามครั้งและจึงกลับห้องพักของท่านซึ่งอยู่ติดกับห้องเนนป้องเมื่อท่านเดินผ่านเห็นเนนป้องกําลังนั่งภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังอยู่หน้าห้องจึงคิดในใจว่าเราเห็นจะต้องปฏิบัติอย่างจริงจังเสียที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 นาทีผ่านไปท่านรีตาดูเทียนตรงหน้าเห็นพร่องไปนิดเดียวก็นึกท้อคิดในใจว่าคราวหนะ้าต้องใช้เทียนเล่มเล็กกว่านี้จะได้หมดเร็วๆจากนั้นจึงหลับตาภาวนาเหมือนเดิมเวลาผ่านไปอีกสิบนาทีก็เห็นยังเหลือเท่าเดิมจึงอดคิดอกุศลไม่ได้ว่าใครแอบมาขโมยเทียนเล่มเก่าไป เอาเล่มใหม่มาแทนเพื่อแกล้งเราหรือเปล่านหน้าเลือบมองไปทางเนนป้องก็เห็นนั่งนิ่งตัวตรงหน้าตรงเหมือนพระพุทธรูปตรงหน้าไม่มีเทียนปักอย่างท่านก็ให้นึกอายเด็กจึงนั่งหลับตาภาวนาต่อไปพอจิตจวนจะตั้งมั่นความคิดก็เข้ามารบกวนท่านคิดโน่นคิดนี่เรื่อยไปพอรู้ตัวก็กลับมากาหนด สัมมาอาระหังต่อนั่งไปอีกสักพักก็รู้สึกง่วงคิดจะกลับเข้าห้องไปนอนก็ให้นึกละอายใจตัวเองเพราะตกเป็นทาตของความง่วงเหงาหานอนท่านจึงประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติมาครั้งแล้วครั้งเล่าง่วงทีไรก็ผัดว่าพรุ่งนี้ตีสี่ค่อยตื่นขึ้นมาปฏิบัติต่อจากนั้นก็จะจำวัดครั้นตีสี่ ได้ยินเสียงระฆังปลุกก็จะผัดอีกว่าตีห้าค่อยตื่นพอตีห้าก็ผัดเป็น6กโมงครั้นหกโมงยังไม่ทันได้ปฏิบัติก็ต้องออกบินทบาทโปรดสัตว์กลับจากบินทบาทและฉันเช้าเสร็จพอลงมือปฏิบัติได้สักประเดีย๋ยก็ง่วงอีกและท่านก็มีอันผัดเพี้ยนไปได้ทุกครั้งวันนี้เราจะไม่ยอมแพ้จะขอสู้ตาย ท่านตั้งจิตตั้งใจใหม่อีกครั้งชำเลืองมองไปทางเนรป้องเห็นนั่งไม่กระดุกกระดิกทำให้ท่านมีกำลังใจถึงยังไงเราก็จะไม่ยอมแพ้เด็กท่านคิดแล้วจึงนั่งต่อไปเนรป้องนั่งภาวนาครบสองชั่วโมงแล้วจึงกำหนดลืมตา มองตรงไปข้างหน้าแล้วเหลี้ยวไปทางซ้ายจากนั้นก็มองไปทางขวาและเห็นพระหนุ่มนั่งโงกอยู่รู้ว่าท่านเป็นคนใจดีจึงคิดจะแกล้งเล่นสนุกสนุกถึงอย่างไรฝ่ายนั้นก็คงไม่โกรธรู้จักกันมาเดือนเศษยังไม่เคยเห็นท่านโกรธใครสักทีเนน์วัยสิบสองค่อยๆ ค, คลานเข้าไปใกล้ที่พระหนุ่มนั่งและพบว่า ท่านไม่ได้หลับอย่างเดียวแต่ยังมีน้ำลายไหล ย, ยืดออกมาจากปากด้วยจึงจับเทียนไปหลนที่ใต้คางท่านเหมือนที่หมอผีหลนออนมันพรายจากแม่หน้าที่ท่านเคยดูภาพยนต์สมัยที่ยังไม่ได้บวชเป็นเนนพระเจริญอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นครันรู้สึกร้อนที่บริเวณใต้คางท่านกกับเข้าใจว่ากำลังจะได้ธรรมกาย จึงกำหนดยืดตัวตรงและภาวนาอย่างตั้งอกตั้งใจเน้นป้องเลื่อนเทียนสูงขึ้นสูงขึ้นทีละนิดจนเปเลวเทียนจด้างท่านพระหนุ่มร้อนจนทนไม่ไหวจึงลืมตาขึ้นดูเน้นนี่มันอะไรกันท่านถามเสียงดังไม่มีอะไรหรอกครับเห็นหลวงพี่นั่งรลับ ผมก็เลยจะช่วยแก้ง่วงให้พอดีผมอยากหาอะไรเล่นสนุกสนุกอยู่ด้วยเนนตอบตามตรงไม่มีวิธีอื่นแล้วรือทีหลังอย่าเล่นพิลึกแบบนี้นะหลวงพี่ไม่ชอบพระเจริญออกโกรธๆผมก็ไม่ชอบให้หลวงพี่นั่งหลับเหมือนกันนี่ผมแอบสังเกตมาตั้งเดือนกว่าแล้วไม่เห็นหลวงพี่ก้าวหน้าตรงไหนเลย อย่ากโกรธนะครับที่ผมพูดตรงๆถ้อยคําของเนนวัยสิบสองทำให้พระเจริญไม่กล้าโกรธหากเนนป้องไม่หวังดีต่อท่านก็คงไม่กล้าพูดตรงๆอย่างนี้เหลือบดูเทียนก็เห็นเหลืออีกเกือบครึ่งจึงบอกเนนว่าเอาเถอะลวงพี่ขอบใจที่มาให้สตลิลวงพี่ตั้งใจว่าจะนั่งภาวนาจนกว่าเทียนจะหมดเล่ม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 แน่นน้อยพูดเสียงใส